ออกหนีน้อมเข้ามาเขามาดูมันเอหิป จ, จิโกเรียกเข้ามาเรียกจิตของเราเขามาดูลูสิ่งที่เราน้อมเข้ามาเราให้คิดคิดถึงคำสอนพระพุทธเจ้าเท่าน ปาฏิหารก็ดีแสดงฤทธ์ก็ดีสารพัดอย่างซึ่งเป็นปาฏิหารนั่นพระพุทธเจ้าท่านไม่ท่านไม่สันเสริญเนาะมันเป็นเรื่องของฤทธ์เป็นเรื่องของปาฏิหารใครหนักไปในเรื่องฤทธ์เรื่องปาฏิหารโวยวายมันเสียทั้งนั้นเนี่ย ลองลองดูสิ <c oughs> คือนอบออกไป ไ, ปไ้น้อมกลับมาพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนว่าให้รู้ฉลาดในการรักาษาจิตของเราให้รู้จิตของเราจะกให้ฉลาดในการรักาษาจิตของเรา ฉลาดในการสอนจิตของเรายกอุบายขึ้นให้จิตของเรามีความรู้มีความฉลาดเช่นมันเกิดราคะเกินมาความกำหนัดเกิดขึ้นมาแล้วจะทำอะไรเราก็พิจารณามันน้อมประมาณมันเป็นอะไรเพราะอะไรมันคืออะไรความกำหนัดนั้นคืออะไรทำไ ม, ไมถึงกำหนัดอย่างนั้น เราดูจิตของเราดูเทียมเป็นอะไรไหมเนี่ยมันมีอุปาทานยึดอันใดอันหนึ่งเข้ามาเมื่อมีความรู้สึกอย่างนั้นจิตก็ยิ่งส่งเสริมในสิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นความกำหนัดมันก็วิ่งขึ้นสู่ที่สูง จิตมันก็ยิ่งหลงไปความรู้สึกมันก็วิ่งขึ้นไปสู่ที่สูงของมันเรื่อยๆไปเมื่อมันเป็นในเวลานั้นไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นจิตไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอารมณ์ถ้าไม่รู้เรื่องอย่างที่ตาเราเห็นรูปอย่างนี้มันเกิดความรังเกยียจหรือมันเกิดความรักขึ้นมาอย่างนี้ เราไม่ตามรู้ของมันรู้เรื่องของมันว่าทำไมมันถึงรักทำไมมันถึงเกลียดมันเป็นเพราะอะไรไอ้ที่มันรักไอ้ที่มันเกลียดนั่นเเรียกว่ามันเกิดจากอวิชชาคือความไม่รู้ตามเป็นจริงในสภาวะอั น, นั้นถ้ามันรู้ตามสภาวะความเป็นจริงของมันแล้ว มันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะสักแต่ว่าความรักเกิดขึ้นแล้วมันก็สักแต่ว่าความรังเกียจเกิดขึ้นแล้วแต่มันก็ปล่อยของมันไปมันไม่ไปยึดเอาความรักอันนั้นไม่ไปยึดเอาความรังเกียจอันนั้นอันนั้นสักแต่ว่าความรู้สึกเป็นอารมณ์เท่านั้นจิตเป็นผู้รู้อันนั้นอารมณ์นนั้น แต่พิจรณาเห็นว่าอารมณ์นั้นมันเกิดแล้วมันกลับไปเพราะมันอย่างนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมาอวิชชาความไม่รู้จักก็กำหนัดเมื่อกำหนัดแล้วก็ไป็นสำคัญมันหมายว่าอันนั้นเราชอบอันนั้นเราไม่ชอบถ้าจิตเกิดขึ้นในขณะอย่างนี้เราก็เห็นแต่ว่าไอ้จิตที่มันชอบนั่นแหละมันดี ไอ้จิตที่เราไม่ชอบสิ่งทั้งหลายเรานั้นอันนั้นมันไม่ดีไอ้พวกเราทั้งหลายนั้นก็วิ่งตามอารมณ์ไปรู้จิตของเราให้มันแน่นอนความอยากนั้นมันทําให้รักก็ได้ทาให้เกลียดก็ได้อดทําให้สุขก็ได้ทําให้รักก็ได้ แต่ว่ามันทำให้สงบไม่ได้อย่างลูกนิมิตที่แฝนอยู่เนี่ยเป็นตัวอย่างเนี่ยก้อนลูกนิมิตก่อนเนี้มันก็อยู่เท่านี้อย่างนี้บางคนมาเห็นจะเข้าใจว่ามันโตไป บางคนก็เข้าขใจว่ามันพอดีบางคนก็เข้าขใจว่ามันเล็กอืมนี่คือความเห็นนะออ่คือความเห็นเนี่ยเพราะความอยากจึงทำให้ลูกนิมิตรลูกนี้แปลไปตามสภาพของมันแปลไปตามสภาพสภาพของตันหาน แต่ความเป็นจริงนั้นมันจะแปลไปยังไงก็ช่างมันเป็นสักแค่ว่าความรู้สึกหรือความรักความหลงเท่านั้นที่มีตัญหาคือความอยากนั่นน่ะไอของวัตถุอันเดียวกันนั่นเอออย่างลูกนิมิตรูกเนี้ยความอยากมันเกิดขึ้น มันจะทําลูกนิมิตลูกนี่ให้โตขึ้นกว่า น, นี้ก็ได้อันนี้เป็นเรื่องคิดน่ะเรื่องภาวนานั่นนี่นะและความอยากอีกมันจะทําลูกนิมิตลูกนี่ให้เล็กลงก็ได้แต่ลูกนิมิตลูกนี่มันจะอยู่เสมอตัวของมันอยู่อย่างนี้โดยสภาวะของมันมันเป็นเนี่ย โดยสภาพความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้ถ้ามีอวิชชาเป็นพื้นตันหาเขามาผลแล้วมันจะมาปรุงมาแต่งรูกนิมิตอันนี้ให้โตขึ้นให้เล็กตัวก็ได้ mm hmm. เมื่อปรุงให้มันโตขึ้นมันก็เห็นรูกนิมิตนี้ว่ามันเล็ก mm hmm. เมื่อมันเห็นรูกนิมิตบ่ามันเล็ก มันก็พุงให้มันโตไปกว่านี้คือหมายความว่าคนคนหนึ่งอยากได้ลูกนิมิตให้มันเล็กกว่านี้ลูกนิมิตลูกนี้มันก็โตนี่อีกคนคนหนึ่งอยากให้ลูกนิมิตลูกนี้โตขึ้นกว่านี้ลูกนิมิตลูกนี้มันก็เล็ก แต่ลูกนีเม็ดลูกนี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้มันไม่โตไม่เล็กแร้วเออไอคนที่เขาไปสำคัญมันหมายว่าอยากจะได้รูปให้มันโตกว่านี้มันก็เรียกบางคนอยากใจรูปนิมิตนิ่เล็กกว่านี้ดูนิมิตดูนี่มันก็โตเท่านั้นแหละ เ, ออเท่านั้นเองนี่ตัณหานี่ดีว่าไ อ, ไอ อวิชชาความไม่รู้จักตัณหาความอยากสังขารความปรุงแต่งมันก็ปรุงของมันเรื่อยไปอย่างนี้มันปรุงมันแต่งขึ้นแต่สภาพหรือสภาวะดูนิดดูนี้มันกว่าเท่านี้อยากใจมันโตกว่านี้มันกว่าเท่านี้อยากใจมันเล็กกว่านี้มันก็เท่านี้ มันเป็นอยู่อย่างนี้มันไม่วิ่งตามใครถ้าลูกนี้เม็ดลูกนี้มันไม่วิ่งเราก็วิ่งเราเองวิ่งไปหาลูกให้มันโตก็นี้มาออหรือจะมาทําทูกนี่้มันเล็กลงมันก็เกิดความลำบากกันอีกหละถ้าเราดูอย่างนี้กับมันการดูอย่างนี้กับมันกันสัมผัส ต า, ตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายจิตพระพุทธองค์ท่านจะให้สังวรสังรวมระวังทําไมท่านจะให้ระวังเพราะมันรู้อยู่ที่นี่มันไม่ไปรู้ที่อื่นถ้าเสียงมันมามันก็รู้อยู่ที่หูเนี่ยมันไม่ไปรู้อยู่ที่อื่นหรอก มันรู้อมันรู้อยู่ที่ไหนเนี่ยมันไม่รู้ที่อื่นหรอกมันรู้ที่หูนี่เองเมื่อกลียนมันวิ่งไปวิ่งมามันก็รู้ที่จมูกมันไม่มารู้ที่หูหรอกเหม็นขนาดไหนก็ตามแต่หูไม่รู้สึกกลับก็ไม่ไม่ใช่หน้าทีของมัน เ, นเสียงเออมันจะดังขนาดไหนก็ตามแต่จมูกเฉยไม่รู้เรื่อง เน่ยมันทํางานคนได้อย่างละอย่างละอย่างอางริ้นมันมีรถจะพาะริ้นมันมีรสร่างกายไม่มีรถรสเปรี้ยวรสหวานร่างกายไม่รู้จักหูไม่รู้จักจมูกไม่รู้จักไม่รู้จักทั้งนั้นเออ มันต่างคนต่างาําตามหน้าที่ของใครของมันเท น, นั้นเนี่ยรู้ไหมนะ่ะตาหูจมูกลิ้นกายกายมันรับสัมผัสอย่างเดียวอืเสียงมันกระทบเข้าในหูไม่ใ่มันเป็นเสียงใดไอ้กายมันเรื่องกระทบเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกาย ห้าอย่างมันมารวมลงไปในที่จิตจิตเป็นผู้คุ่มครองจิตเป็นผู้รับรู้จิตเป็นผู้ทำงานเราจะนั่งดูในสมัยหนึ่งผมภาวนาประมาณในราวสัก 3, สามพันศาลไปนั่งกำหนดอยู่ที่สงบสงบ เห็นอารมณ์ชัดจนมีรูปเรียบขึ้นมาเหมือนใคร่กับรังมแมลงมุ ม, มแมลงมุมมันจะไปทํารังน่ะมันจะขยายใหญมันออกไปทางโน้นทางนี้ทางโน้นทางนี้เรียบตัวตัวมันเองน่ะมันจะมาจับอยู่ที่กลางรังมันน่ะมันจะเฉย<ป>นี่ เงียบเก็บตัวเงียบไม่ดุกด็กไถ้าเราไปดูคล้ายๆมันเป็นไอ้มาเร็ดอันใดอันหนึ่งที่มันทิ้งอยู่นั้นนี่ยแต่เป็นตัวมแมลงมุมแต่มันเจ็บตัวมันเงียบเมื่อไอ้แมลงพึ่งหรือมแมลงวันบินเข้ามาติดหลังปุ๊บพอสัมผัสปุ๊บมันกูวิ่งชาดไปจับไงจับมแมลงไว้หันหันหันทิ้ง กลับมาอยู่ที่เดิมอยู่เก็บตัวอยู่ให้เงียบอพอดีตัวอันใดอันหนึ่งที่มันมาผ่านเขาในรังมันก็รู้สึกมันก็วิ่งเข้ามาจับเราหันไว้ดูที่รังแมลงงวงดูอเก็บมันไว้นั่นแหละใหญ่มันเอาหันไว้หันไว้ตลอด เพื่อเป็นอาหารของมันมเมื่อคราวที่มันต้องการมันไปจับแมงมันเป็นอาหารของมันแมลงจะมามติดอยู่นั่นนะเราไปนั่งอยู่พิจารณาอยู่ซึ่งจิตของเจ้าของแล้วจะเกิดความรู้สึกาตาโอจะมูปีนกายเหมือนรังมแมลงมุมจิตเหมือนตัวมแมลงมุม แน่นอนไม่ได้สงสัยเลยอันนี้มันอยู่ในตํารามีไห่เนาะนีนน่เนาะนะอีกมาหลายปีหลายเดือนมาไปอ่านดูมันเออมันเห็นอยู่ในวิสุทธิมรักษ์นเปรียบเหมือนมาแมลงมุมอ่ไอ้ทางทางวิสุทธิมรักษนี่เราไม่เคยได้อ่านเลยไม่เคยได้รู้เลยไม่เคยได้เห็นเลยแต่ว่าเห็นลักษณะอันนี้มันเต็มอยู่อย่างนั้นก็รู้ได้ว่า บัญญัติตัวนี้ที่เราสังวรสังรวมเนี่ยปฏิบัติอยู่เนี้ยข้างนอกมันก็มีอยู่ข้างในมันก็มีอยู่อย่างนี้ปริยัตมันก็มีอยู่ปฏิบัติมันก็มีอยู่ถ้าเรารู้ปริยัตอย่างเดียวไม่รู้ปฏิบัติถ้าเรารู้ปฏิบัติจริงนะมันจะรู้ไปถึงปริยัตก็ได้เรียบคนหนึ่งว่าอย่างคนมีความดี คนหนึ่งมีความดีแต่ไม่มีความรู้คนหนึ่งมีความรู้แต่ไม่มีความดีนี่มันก็เป็นอย่างนี้ไอ้คนมีความรู้รู้่าเถอะไม่รู้เรื่องไม่รู้จะผิดจะถูกกันเนี่ยคือคนไม่ดีอ่ะไอ้คนนี้มันดีมันระวังของมันมันไม่รู้เรื่องว่าอะไรมันเป็นอะไรมากมายก็่ช่างมันเถอะ ฉันเห็นว่าไอ้ของนี่หยิบขึ้นมาแต่มันหนักเท่านี้ก็พอแล้วนับได้มันก็วางเดี๋ยวอันนั้นอันนั้นเป็นของของคนอื่นเขาอย่าไปเอาของเขาเลยเป็นของเขาคนนั่นนึกแค่นี้ก็กลัวแล้วไม่ต้องไปเปิดดูในตำราเห็นอย่างนั้นจริงกลัวหรอกนี่คือคนดี แต่รู้มันอยู่ในตำร า, านั่นมันอยู่ในข้อนั่นอยู่ในมาตราไม่รู้แต่มันรู้ในใจว่าอันนั้นคือของของเขาเขาก็คงรักของเขาเหมือนเราเราก็รักของเราเขาก็รักของเขาเท่านี้นะมันเห็นข้อปฏิบัติแล้วอะ่ะอืออันนี้ก็ไม่ควรทำกันเลยเนี่ยเท่านี้นี่เรียกว่าคนดีแต่รู้ แต่ไม่รู้ไม่ได้เรียนไอคนที่เรียน น, นรู้แต่ว่าไม่ดีรู้ว่ารู้จักว่าของเขาอยู่แต่ว่าเอาทนไม่ไว้อยากได้มันนี่รู้มันผิดรู้รู้ว่าของคนอื่นเขาหวงไม่รู้รู้ว่าทําอย่างนั้นมันผิดไม่รู้แต่เอานี่คือคนรู้ไม่ดีมีแต่รู้อย่างเดียวเนี่ย มันสู้คนดีไม่ได้ทายทายมันสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วต้องมีความรู้เด็กก็มีความดีประกอบเขากันทั้งสองอย่างนี้อันนี้เลศอดเป็นทางที่เลิอดเป็นทางที่ประเสริฐฉะนั้นเราที่เรามาปฏิบัติกันอยู่เนี้ทุกวันเนี่ยทางพระทางเนนเนี่ยจะมาให้เอาอะไรจะทํำอะไร ต้องการอะไรไหมหรืออะไรยังไงหรือเรามีความมุ่งหมายอะไรธุราหน้าที่ของเราเป็นคืออะไรนี่คือคนไม่ค่อยรู้จักนะปฏิบัติัวนั่งให้มันอยากจะให้มันสงบสงบแล้วก็รู้ไปเห็นโน้นเห็นนี่เดีวชอบใจวิ่งไปตามมัน <mister isation> พระพุ <Tall> ทธองค์ท่านถ ah ึงสอนอย่างนั้นนี่ท่านสอนว่าเมื่อตาเห็นรูปแล้วก็เห็นว่ารูปนี่มันก็สักไปรูปเท่านั้นเมื่อเรามีความรักมันเกิดขึ้นมาอันนี้ก็สักไปในความรู้สึกมันเกิดขึ้นเท่านั้นเมื่อเรามีความไม่ไม่รักมันเกิดขึ้นมาอันนี้ก็สักไปในความรู้สึกเท่านั้นมันไม่มีอะไรเท่านั้นเนี่ย ไม่มีอะไรมันเป็นอยู่อย่างนั้นมิฉนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงสอนมาให้รู้จักอารมณ์รู้จักอารมณ์ให้รู้จกักจิตให้รู้จักอารมณ์ถ้าคนเรารู้จกักจิตของเราก็ต้องรู้จักอารมณ์มิฉนั้น พระพุทธองค์ท่านจึงสอนมาให้ศึกษาตัวเองให้สอนตัวเองให้ดูตัวเองให้ดูตัวเอง <c oughs> คนที่ดูตัวเองนั่นนะ่ะก็คือดูดูจิตของเจ้าของผู้รู้ของเจ้าของนั่นแหละถ้าเราตามผู้รู้อยู่น่นตาหูจมูกปีนกายอะไรมันจะมากระทบจิตมันต้องรู้ของมัน อย่างนั้นเราจึงเพ่งอยู่ที่จิตรู้ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยมีสติและรึกได้อยู่สัมปชัญญะรู้อยู่ปัญญารอบรู้อยู่ในที่นั่นมันก็เกิดความสังบอรเกิดความสังรวมขึ้นมาในที่นั้น ถ้าอะไรที่มันเกิดขึ้นมาสิตาหูจมูกมิีนกายมันกระทบมาแล้วเป็นความสุขกว่าดีเป็นความทุกข์กว่าดีเป็นความดีใจกว่าดีเป็นความเสียใจกว่าดีนะอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วถ้ารู้อย่างนี้ถ้ามีความรักมันก็ออาไปยึดรู้ยึดถ้ามีความเกลียดมันก็ไปรู้แล้วก็ยึด นี่อันนี้ไม่ใช่ธรรมดาเลยไม่ใช่รู้ธรรมดาเละไม่ไม่ใช่รู้ตามสภาวะมันแหละถ้ารู้ตามสภาวะของมันแล้วนะมันรู้อะไรมันต้องปล่อยรู้อะไรมันต้องวางอืทมทําไม่ท่านจึงทาอย่างนั้นเพราะท่านเห็นโทษในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมากที่สุด ท่านก็เห็นประโยชน์ในสิ่งที่ธนละอันนั้นมากที่สุดเมื่อกระทบถูกต้องเมื่อไรท่านก็มีสังบอสังรวมอยู่นั้นรู้ว่าเนี่ยขอปล่อยวางพอมันรู้สึกมันก็วางมันวางมันก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางไม่ยึดไม่รู้เป็นอุปท า, านความยึดมัน่นถือมัน่นว่าอันนี้เราอันนั้นของเรา เนี่ยเราปฏิบัติอย่างนี้พระพุทธองค์ท่านอยากจะให้เป็นอย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้มันละถ้ารู้อย่างนี้เดี๋ยวมันวางนั่นแหละคือความสงบรู้แล้วมีความสุขรู้แล้วมีความทุกข์อันนั้นไม่ใช่ความสงบมันเป็นทางเดินสัญจรอยู่ในโลก ไม่สงบไม่มีทางที่มันจะสงบอย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าถ้าตาเห็นรูปท่านรูมันวางมันซะปล่อยมันแต่ว่าคนเราไม่อยากจะวางมันไม่รักมันก็เกลียดมันเพราะอะไรมันกิเลสมันกิริตอะไรมันชอบ มันก็รักอะไรมันไม่ชอบมันก็เปลียนมันอยู่อย่างนี้ตลอดไปท้งนั้นเนี่ยอยู่อย่างนี้ฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้น airline, มันจะเกิดขึ้นกับจิตของคนเราบ่อยทีเดียวแต่เราก็วิ่งไปตามมันเกลียดก็วิ่งไปตามเกลียดรักก็วิ่งไปตามความรักเมื่อไรมันจะหมด่ะ วิ่งอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นแหละเมื่อไรมันจะหยุดล่ะก็มันไม่เห็นอย่างนี้เมื่อมันไม่หยุดมันจะสงบไหมมันก็ไม่สงบเท่านั้นมันก็เป็นวัตตะมันก็หมุนเยนเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยเรื่อยไปเท่านั้นเนี่มันตัววัฏะมันเป็นอย่างนี้ตัววัฏฐะมันเป็นอย่างนี้ก็เรามาเห็นโทษไม่เห็นประโยชน์มาเห็นโทษในการกระทำเช่นนั้น ไม่เห็นประโยชน์ในการทําทั้งหลายเหล่านั้นสําเร็จแล้วอย่างนี้ฉันนั่นเม่ตรงมากถ้านี่ว่าอาการสังวรหรือสังรวมเนี่ยไม่ต้องว่ามันเป็นอะไรล่ะอืให้รู้เนี่ยมันรู้แล้วมันปล่อยมันรู้ที่ถูกรู้แล้วผมวางรู้แล้วให้ปล่อยรู้แล้วใครวางทําไมถึงปล่อยถึงวางมันมันจะกัดเอา ไปตค่คุบมันกัดสิลองลองดูสิอเอาดีเห็นผู้ชายผู้หนึง่งผู้หญิงผู้หนึง่งไปไปรักมันสิเลี้ ย, เยมเยอะมากวนเราบ่อยๆเลยมากัดเราไปจับมันสิเดียวคนนั้นมันไม่ชอบใจหน้าดังเกลียดมันไปเกลียดมันสิมันจะกัดเราเนี่ยมันเกิดทุกข์ขึ้นมาทีเดียวเนะ่ย พระพุทธเจ้าจึงปล่อยให้ตามกระแสมันกระแสเพราะมันเป็นอย่างนั้นกระแสโลกมันไหลอยู่อย่างนั้นหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ถ้าเรามารู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงจะปล่อยมันได้มันหมุนมันเวียนของมันอยู่อย่างนั้นตามกระแสอันนั้นต์ถ้าเราไปขวางมันสิทําไมท่านจึงให้สังวรทั้งรวมเพราะท่านอยากจะเห็นอย่างนี้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้ ถ้าหากว่าเราเห็นชัดในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ควรใครก็รรเป็นไปตามเรื่องของมันเนีย่ยมันไม่ควรใครถึงนั้นเนี่ยเราไปควรมันไม่ใช่มันมากวนเราเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเราอยากให้มันเป็นอย่างนี้แต่มันไม่เป็นไปตามความอยากของเราอย่างนั้นก็ทุกเกิดขึ้นเท่านั้นเนี่ย ไม่ใช่อื่นไกลเลยทีนี้อย่างเราเห็นดูนิเม็ดดูขึนี่ไม่อยากจใจมันโตกว่านี้อยากไม่อยุ่ดเดียกวกค่ทุกข์เท่านั้นหรืออยากให้มันเล็กกว่านี้เดียวมาเห็นว่าอะไรก็เป็นทุกข์ที่นั่นมันเล็กอยากจะให้มันเล็ ก, ก, กโตไปอย่างนี้ อ, อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังสอนว่าปัญญารู้เท่าตามสังขารสังขารมันเป็นจริงอย่างไร ก็ให้รู้เท่ามันเสี้ยวมันตามความเป็นจริงอย่างนั้นก็เป็นของมันอย่างนั้นไม่ต้องไปจับมันให้รู้มันซะรู้แล้วก็ปล่อยด้วยแล้วก็วางเรื่อยเรื่อยไปเปรียบประหนึ่งว่าเราเดินในถนนเส้นหนึ่งมันตรงไปมันจะตรงไปสักเกรด้หนึ่งก็ช่างมันเถอะเท่าไรเส้นก็ตามมันเถอะ เดินตรงไปด้วยเมื่อเราไปพบท่อนไม้ท่อนหนึ่งผีนก้อนหนึ่งขวางทางอยู่แล้วก็จะมันเบี่ยงออกไปเบี่ยงออกไปด้วยเท่า น, นั้นแหละมันเบี่ยงออกจากทางแล้ไปเท่า น, นั้นเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าเราจะทำจิตให้มันสงบให้มันเป็นหนึ่งนี่ อารมณ์ซึ่งมันจะเกิดขึ้นมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันจะมารวมอยู่ที่จิตนี่เมื่ออารมณ์เกิดขึ้นมาที่จิตี่จิตมันก็ยุ่งเหมือนกับ ก, ก้อนหินที่มันมันขวางทางเราอยู่นั่นแหละถ้าเราเดินไปมันก็ขัดข้องไงแล้วก็หยิบมันออกเสียออกจากทางเนาะเสียอารมณ์ซึ่งมันเกิดขึ้นมากระทบในเวลานั้นเราก็เห็นว่าอนิจังถูกขังน้าตาเนาย มันเป็นนักปฏิบมันออกไปถ้าปล่อยอย่าไปยึดอะไรทั้งนั้นให้รู้มันจะปล่อยไปเดินเรื่ย mm hmm. อยๆความรักมาเรา ก, ก็ปล่อยมันไปความเกลียดมาแ ก, ก็ปล่อยมันไปใช่หอยากมาเรา ก, ก็ปล่อยมันไปใช่ไหเอียด ก, ก็ปลอ่กกปลอยมันไปด้วย mm hmm. ทั้นั้นแหละแล้วจะเก็บไปถึงขนาดไหนจบทางเมื่ อ, อไหร่ยังไม่จบแล้ว ก, ก็เก็บมันไปอยู่เรื่อยนี่ลักษณะปฏิบัติอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ ไอคอนี่รู้จักว่าไอ้ก้อนดินก้อนหินเกิดขึ้นมามันขวางทางเราน่คือจิตไอ้ก้อนอินก้อนหินมันคืออารมณ์นี่ถ้าเราเป็นคนคนหนึ่งเดินไปตามทางรู้จักว่าอะไรมันขวางทางเราทีนี่เป็นต้นเราก็ต้องพยายามทำทางเราให้มันเตียนให้มันสะอาดจะพยายามกวาดหรือเช็ดหรือเก็บก้อนหินก้อนไม้นั่นออกไปเรื่อยๆไปถึความพยายามของเรา อืให้เข้าใจอย่างนั้นการปฏิบัติมันเป็นไม่ต้องว่าหายใจมันมีฤทธิ์มีเหตุใหญ่เป็นพระอรหันต์ยากใหญ่มันเป็นอย่างใหญ่ไม่ต้องโฆษณาอะไรเราอืมให้มันโฆษณาในใจของมันเองอืให้จิตมันพูดจิตนี่พูดมากยิ่งดีแต่มีสติควบคุมมัน แต่แย้มมันดูดออกมาทางปากดูดน้อยดูดแต่มันน้อยตามท่านเราเป็นผู้ปฏิบัติเมื่อโยมถามหรือใครถามเราเดินอยู่ก็ดีพระคุณท่านจะไปไหนต้องหยุดก่อนพอเรามีสติพักหนึ่งอย่างนี้ ท่านพระคุณท่านจะนิมนต์ไปไหนครับหยุดมองลงดูจิตของเจ้าของก่อนในสักพักนในจังหวะแล้วเขพูดโยมอาจจะมาจะไปที่โน้นด้วยมีสติพ อ, พ อ, อท่านจะถามว่าเขาจะถามว่าท่านจะไปธุระอะไรอาจตมามีทุระเล็กๆน้อยๆอยู่เนี่ย เมื่อไรท่านจะกลับยังไม่รู้จักเมื่อควรจะกลับเมื่อไรก็จะกลับเมื่อ น, น, นั้นพูดด้วยความมีสติชำปรชัญญะพูดแล้วกัยังเป็นสมาธิพูดเดียวกัว ย, ดด ย, วกวยังมั่นคงพูดแล้วกับ ก, บกำหนดคําพูดเราได้ที่กำหนดคําพูดเราไม่ได้บางทีเทศไปนะบางทีพูดจนเหนือเกินจนเหนือไอความที่เราเห็นน่น โดยมากมันชอบเป็นอย่างนั้นลองๆองดูทีพระเนียนในวัดแล้วนี้ให้กับไปในป่านี่เห็นงูตัวหนึ่งขนาดขวดนี่นะออกม า, านีจะมีใจตื่นเต้นเนี่ยไปเห็นคนคนเดียวเนี่ยจะวิ่งออกมาแหมงงูที่มันใหญ่เหลือเกินขนาดไหนขนาดขวดเนี่ยไม่เอาหรอกขนขวดเนี่ยมันเล็กไปไอตัวไม้ขนาดนี้ยังเล็กไปเท่าไหน่นู่โนโทรขนาดนี้ยนะ มันวิ่งอย่างนี้ทำไมตันหาคือความอยากมันจะส่งเสรมิมไหงูตัวนี้มันใหญ่ขึ้นด้วยความตื่นเต้นเกินไปมันเกินไปนี่มันพูดผิดอย่างนี้คนเรา น, นี่คำพูดของสมณะคำพูดของสมณะจะต้องมีเรื่องที่ไม่แน่อยู่ขวางอยู่เสมอ น, น ไอ้พรุ่งนี้ท่านจะไปจะบินจะไปบินถวัตบรกอ๋อไหมยังไม่แน่ยังไม่รู้จักนี่ท่านจะไปวารีนไหมพรุ่งนี้ยังไม่รู้ยังไม่แน่นี่นี่เป็นคำพูดที่ดีที่สุดเราพูดเอาสักครึ่งหนึ่งเป็นคำพูดของนักปราชุดีที่สุด คุณจะไปไวรินไม่พุ่งอีกไปรับรองไปเด็ดขาดเลยอย่างนี้เป็นโทษเป็นคำพูดของคนงูนี่รู้ไหมวัสภาพที่มันเป็นอนาคตนะรู้ไหมว่าไอ้พรุ่งนี้เราจะไปไวรินเนี่ยความตั้งใจเดียวเนี่ยมันไม่มีอะไรนอกจากไปได้นอย่างนี้อนไอ้พรุ่งนี้บางทีตกต้นไม้สักขามัน หรือมันปวดท้องนะไปไม่ไหวยังไงทาไงอย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านยังสอนมาเรื่องไม่แน่นี่เป็นธรรมที่แน่เนี่ยมันไปกันไปอย่างนั้นนะท่านพูดว่าไม่แน่นี่เราคือมันแน่นเนี่ยลองดงลองดูสิไม่แน่นี่คือท่านรับรองแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้น สบายใจพูดทุกทีพูดทุกคําถูกทุกคำอลองดูเมื่ อ, <laughs> อไรแต่พรุ่งนี้ตระกลับบ้านไม่แม่แน่ถูกไปก็ถูกไม่ไปก็ถูกนี่ไม่ไปเลยพวกนี้ไม่ไปน้อยถูกน้อยหรือไปพวกนี้แน่นอนีอ่ถูกน้อย มันมีผิดมีถูกถ้าเรียกว่าอันนี้มันไม่แน่ละโยมนี่ถูกทั้งนั้นจะไปมันก็ถูกจะอยู่มันก็ถูกจะไม่ไปมันก็ถูกทั้งนั้นในเรื่องมันถูกมันถูกอย่างนั้นนี่เรียกว่าปฏิบัติไม่ผิดอินทรีสังวรสังรวมมิตรีหกตาห้องเจ้าหมู่กีนตาย ไม่ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นดินรถพุธะคาโรธรรมรงในใจโภชเนมะทันยูตรา้จักประมาณในการบริโภคหาเสษพควรนชาคริยาโดยโยกปกอบด้วยความเพียรเห็นเขนอนมากนะเป็นอปันนากาปฏิปทาข้อปฏิวัติไม่ผิดเอ็นสีสังวรสังรวม ตากาทสังรวมหูกาสังนวมสะดูจมูก็กสังรวมสังรวมดว ม, ดว ม, มดทุกอย่างคือก็เรามีเรามีสติอยู่นั่นเองใช่<ม>โพชเนีมาตันยตารู้จักประมาณในการโมริโภคอันิปถุชาคนิยานุโยกประกอบโลยความเพียรไม่เห็นไม่เห็นแต่นอนมากนักอ่านดูสิ อปปนกาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติไม่ผิดอันนี้ไม่ใช่ธรรมะคนธรรมดาแล้วนี่พูดม่าถูกละเรื่องที่คนแต่งขึ้นมาเราก็รู้จักอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้มันเป็นเรื่องดูดออกมาจากพระอริยะบุคคลซึ่งไม่มีจริีแผดเผาแล้ว อ, อปปนากาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติไม่ผิดนั่ อินทรีสังวรสังรวมอินทรีหกคือตาหูจมูกรีดกายใจม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นดินรถปถาะรธธรรมรงค์ใจสังรวมอยู่ตรงนั้นไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินดียินร้ายหมายถึงว่ามันก็ต้องยินดีมันก็ต้องยินร้ายแต่ท่านบอกไม่ให้ยินดียินร้าย มันยินดีมันยินร้ายเอาอารมณ์ทั้งสองนี่มาประกบกันเข้ามาพิจารณาจนมันถอนอุปทานออกว่าอันนี้อย่าพึ่งกับไปจับต้องมันเลยถ้าเรายินดียินร้ายอยู่ยังไม่ถูกเอเราออกมาพิจารณาจนเห็นอารมณ์มันนี้เห็นรูปเห็นเสียงกลิ่นรถอันนี้ว่าจนว่าไม่ยินดียินร้ายนี่ไอคนธรรมดาเราเบื้องแรกมันก็ต้องยินดียินร้าย ยินดีนั่นมันก็เป็นกิเลสยินร้ายก็เป็นกิเลสยินดียินร้ายเป็นอุปทานทั้งนั้นท่านยังไม่ให้ยินดียินร้ายแต่ในปัจจุบันนั้นเราไปเห็นเขาไปเมื่อก็ยินดียินร้ายทำไมเพราะเรายังไม่ฝึกจิตของเราเราก็คิดลูกเดียวไม่ให้ยินดียินร้ายทำไมมันยินดีเนี่ยพก็คือมันไม่รู้จักโทษอันนั้นตตามความจริงมันก็ยินดี ไม่รู้จากโทษอันนั้นตามความเป็นจริงมันก็ยินลายนี่มิฉะนั้นกานยังให้สังรวรสังรวมปฏิบัติเอาดีเอาร้ายมาประครบกันเข้าไปแต่ให้พิจนาให้ว่างถ้ามีดีมีร้ายก็มีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์ไม่มีดีมีร้ายก็เรียกว่ามันหมด เราปฏิบัตินี่จองการในมันหมดเมื่อมันไม่หมดมันยังมีอยู่ก็รู้ว่ามันยังมีอยู่เหลืออยู่ก็รู้ว่ามันเหลืออยู่มันน้อยลงก็รู้จักว่ามันน้อยลงมันเสมอตัวก็รู้จักว่ามันเสมอตัวต้องให้รู้เจ้าของอยู่อย่างนี้ปฏิบัติไม่ใช่ว่าบวชมาแล้วมาเหือเหมด้วยตามเพื่อนก็มัน คุยกันอย่างนั้นก่อนคุยกับเขาเขาทามานั่นก่อนทำกันแล้วไม่รู้เรื่องรู้ราบวชจังหลายพรรษาก่อนไม่ได้ปฏิบัติอะไรไม่มีปฏิบตัติเรื่องปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุคคลแต่ละคนคนคนเดียวนะ่ะไข่ายเนี่ยมันไม่มีกระดูกระหว่างนั้นมีแต่เนื้อทั้งนั้นนถ้าเรารู้จากการปฏิบัติแล้วนะ่ะจะอยู่ที่ไหนก็ตามมันจะมีแต่เนื้อทั้งนั้นไม่มีกระดูกอ่ะไม่มีทิ้ง จะอยู่ในกลุ่มชนหมูมากหรือกลุ่มชนหมูน้อยมันไม่มีกระดูกก็ไม่มีแต่เนื้อทั้งนั้นรู้จักถึงนินทรุไม่ติดอยู่ได้ไม่มีนี่คือเรานั ก, นกจะวิ่งตามมันต้องหยุดหยุดโดยวิธีอันนี้เรามีสติอยู่เช่นว่าเราบวชใหม่เป็นต้น บวชมาใหม่ๆ ไ, ไ, ไม่รู้เรื่องรู้แต่อยากปฏิบัติอยากจะไปใครชวนไปไหนก็อยากจะไปเท่านั้นพระมาจากที่ไหนก็ไปก็ฉันเทอะก็อยากจะไปไปเท่านั้นน่ยไม่รู้เรื่องไปเสียหายมากไอ้ที่คนชวนไปก็เหมือนอารมณ์ชวนเราไป ถ้ารู้จักคนก็รู้จักอารมณ์ถารู้จักอารมณ์ก็รู้จักคนใครควรครบไหมอารมณ์อะไรควรครบไหมควรยึดไหมอันเดียวกันแต่คนมันยังเห็นง่ายแต่ยังไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนนี่อารมณ์ไม่มีตัวมีตนนิเ ม, ม, มสกิจให้เราชอบท่านก็วิ่งยิ่งง่ายกว่านี้อีกอย่างนั้นพระพุทธเจา้าจะนรู้จักคน ผมขอให้ความเห็นท่านทั้งหลายว่าถ้าบวชมาแล้วนั่นจะไปอยู่ที่ไหนที่ไหนมีพระอาจารย์ท่านสอนธรรมะและท่านมีเมตตากรุณาเมื่อหากว่าเราสงสัยเข้าไปกราบท่านท่านแก้ความสงสัยให้เราได้หนึ่งตรงนั้น มันสบายโดยกัรไายาณดมิตรที่สบายปฏิบัติเหมือนกันเนื้อมันมีติดเพี่ยนกันก็เล็กๆน้อยๆอยู่เหมือนกันทำเหมือนกันอาหารก็เรียกว่ามันพอไปเราไม่ต้องเกี่ยวมันล้อาหารนั่นน่ะอย่างวัดประพง์เร้เนี่ยมันพอละมีแต่เรามันเขี่ยมันออกไว้มันจะมาทับเรา รู graduate, ้จากอาหารไปที minute, ่มันน้อยก็น้อยอย่างนั้นะไปเทียมันมากมันก็น้อยอย่างนั้นะจิตใจของเราเนี่ยมันไม่เพลินไอเทียมันที่เขาไม่เพลินมันก็มันก็อยู่อย่างนั้นที่เขาเพลินมันก็อยู่อย่างนั้นมันไม่วิ่งอ่ยู่ใกล้อูบาอาจารย์อืม ไอการเทศของครูบาอาจารย์ไม่ใช่นั่งเทศตลอดคืนตลอดวันเมื่อไปเช็ดเท้าท่านเมื่อท่านไปเช็ดกติท่านเมื่อท่านไปทำงานท่านท่านจะบอกเราท่านเทศให้ฟังหมดแต่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องอะไรมากมายขอเค่ว่าเราให้มีสติว่าเมาื่อเรามาปฏิบัติแล้วนั่นน่ะท่านก็จะปฏิบัติ ท่านปฏิบัติแล้ก็พูดเรื่องปฏิบัติแล้วก็สังเกตเหตุการณ์นี้ของเราไปฉะนั้นสมัยก่อนผมก็คิดว่าต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างใ 5, ารห้านษานี้เดี๋ยวนี้ทนไม่ไหวแล้วไม่ต้องอยู่ไม่ไปก็ไปหรือไม่อยู่ก็ไปอะไรมันวุ่นวายเพราะกิเลสอย่างนี้ที่จะไปก็ต้องมีพี่เลี้ยงแต่ม่อบให้ไปกับพระองค์นี้ทำองค์นั้นอย่างไร เมื่อท่านเห็นเหมาะสมแล้วท่านก็ฝากไปให้รักษาปกครองถ้าท่านไม่เห็นศสนแล้วก็ไม่เป็อย่างพระมาถึงแต่ไกลไม่รู้มาจากที่ไหนเขาอยากจะไปพรหลวงพ่อพวกไปกับท่านนะ mm. พระแต่ก็นั่งอยู่ทําไงนะไปก็ไปนี่ก็ไปกันนี่ mm. ไปแล้วกลับมาจะหมดไม่มีเหลือแล้ว เสียคอวัดปฏิบัติถึงอยู่กับท่านเธอนานๆนถึงสามปีสี่ปีห้าปีถ้าอยากเคลื่อนไปตรงนั้นทำไปตรงนี้อย่างอาจารย์ยนเห็นไหมอาจารย์ยนต์อาจารย์ยันเห็นไหมปีนี้ท่านลาวมิเวกท่านจะไปองค์เดียวท่านใครขอไปอ่ะขอเธอะปีนี้ขอไปองค์เดียว ไปละนี่คือท่านไปทดลองท่านดูเรื่องปฏิบัติสอบทดสอบอรู้เรื่องอยู่กับครูบาอาจารย์มานานแล้วรู้พระธรรมรู้พระวินยัยอยากจะไปทดสอบเจ้าของทดลองเจ้าของอย่นี้นะบางคนมันในปฏิบัตินะ่ะ ใครพูดตรงนั้นก็ไปคุยตรงนี้ก็ไปตรงนั้นนะ่ยวุ่นวายวันนี้ก็หมดวันแตบบ่คืนก็หมดคืนไว้ไม่ได้เรื่องอะไรตกลงอยู่เฉยๆไม่เฉยใช่ด้วยอืมเป็นโทษต้องเป็นคนให้มีใจพูดมากกว่าปากลองลองดูกันนะปัญญาจะเกิดเราจะพึ่งไปสนรเสริย่าพึ่งไปนินทาคนคนนั้น เรื่องของสิ่งนั้นอย่าเพิ่งไปดูถูกอย่าเพิ่งไปสั้นเซินให้ดูดูให้เราดูดูระพิจรารณาแม้อันนั้นมันดีเยอะเกินอันนั้นมันไม่ดีมันไม่ดีหรือเยอเกินไอจิตที่ล้องหลงมันจะบอกมาอย่างนั้นเราเลือกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าพรกศระกาอันนี้ไม่แน่จย่างนั้ เห็นลูปที่สวยมาเหม่มันสวยเกินไม่ให้มันสวยไปซก่อนเถอะเมื่อมันย้อนกลับมาแล้วอันนี้มันในแน่เคราะมันเท่านี้อ่ะอออืันนี้ผมเบียดเสื้อเกินเราเบียดเสื้อเกินจิตใจมันเห็นอย่างนั้นก็ให้มันเป็นไปก่อนเมื่อเราสั้งใจขนาดอนี้มันในแน่สับมันเท่านี้เนี่ยลองลดูเถอะไม่ต้องภาวนามากหรอกมันถอยถึงนั้น่ะ มันจะเห็นผลระจากเรื่องนั้งไม่แน่อไอเรื่องคนๆ น, นะมันจะมีเรื่องราวอยู่ในใจนะอันหนึ่งอยู่นั่นนะ่ะใครๆอยู่ถ้าเราปฏิบตัติมันต้องรู้จักจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเนี่ยไอคนๆหนึ่งนะมันมีจิตใจอย่างหนึ่งเนยะหรือมันจะแหกข้อแหกราวอะไรต่างๆเนี่ย น, นะเออเพราะท่านปฏิบัติจิตใจของท่านนะ ผู้ปฏิบัติทำไมจะคำนวณเท่านั้นเลยนะ